ามาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจกกันาที่เป็นธรรมก็าตามแต่ผลที่ได้รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสิสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมาก ความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกดาบหยากเข้ามาสับปนกันแล้วก็กระเทือนไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาพราะพระ ทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงมิไหนเป็นเพศที่ถูกตั้งดีงามหาที่ต้องตีไม่ได้ mm hmm. เนื่องจากธรรมเป็นสวนขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมึนไม่ว่าด้านมิไหนไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้นผู้ขามาทรงธรรมทรงมิไหนจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลก อย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกภาหิรชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้สรงธรตามความสมมุติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นที่มันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตาม ความรับทราบของประชาชนความเข้าใจของประชาชนก็เพราะกิเลสมันแฝงเข้าไปทำลายความทรงธรรมนั้นให้กลายเป็นการแบบหามกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงทรกิเลสกิเลสแสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสดงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้น การเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสําคัญก่อนคือใจเพราะเป็นครังของกิเลสเมื่อระบายคื่ทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจากทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วนําอารมณ์เหล่านี้เข้าไปสู่จิตใจเป็นธรมมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยว ตามเรื่องราวต่างๆอติตารม์นำเข้ามาพลุนมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นหม่ด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทําการก่อวกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนอยากให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนและน้ำบาดสากระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้ นกิเลสกับธรรมมันเป็นค่าสุดกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงฤทธกิเลสของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยเป็นชัว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยๆออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นม่วนได้แต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้น เราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขริบปราบปรามที่เลสในขณะเดียวกันจึงอยากให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนหยับหยาบมันสุดรวิสัยก็ทํามำแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเปลื่องหรือ ป, ปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคัมมาทรงธรรมไปรเรื่องการปฏิบัตินี่แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงมีมุตหลุดพ้น การดูร่วมกันเป็นจิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอมาการคิดเกี่ยวข้องกันการมองกันให้มองในแง่เป็นธรรมในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภรรัยหนึ่งหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันขอให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตา จะมีการให้ให้อภัยไว้เสมอผู้รับก็ควรรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความตรงรักภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้ทิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อย ให่พูดเป็นอัดเป็นทำเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังต่างนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันลายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่สื่อวิสัยมันผิดอามากก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบเราไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทําให้ผิดได้เหมือนกัน ก็วัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีนี่เราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เด้นๆด้าน ๆ, านๆเพ่นๆผ่านๆใช่ไหมล่ะต่างคนต่างระวังใจของตัวนั้นน่ะ เป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวทำไ ม, ม่ระวังตัวก็ทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนถ้าลงได้ออกรกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องยากมากเพียงแต่กระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องให้ละบากจาัดกระจายออกมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อ น, น, นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวสามมากให้พากันมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลส สิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของจิตเลสมันจะทําให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนด้นแล้วแต่เป็นเรื่องของจิตเลสทั้งมวลที่จะทําคนให้เสียหายได้ลงจบไม่ใช่จะทําผนให้เป็นคนดีการมีความสําเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือ เป็นนักธรรมะตัวแท้คอยสำรวจกอาเหตุเอาผลเพื่อความจรงรักพักดีต่อกันและนำไปพื้นปฏิบัติต่อตัวเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นชื่อว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการอบรมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะ ที่เทน้ําใส่หลังหมาเทปว่ลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ําแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นอีเทสจะหนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทําเต็มพฤติกําลังความสามารถยิเรศมันพาสลัดส่งมลดเดียวเท่านั้นปุด๊ดไม่มีเหลือเลยทำภายในใจที่ได้ยินด้วยฟังมายังเหลือแต่กิเรศกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลย ของศึกษาปด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์ศัจจา ร, รมีฟังท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดําเนินแล้วเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงศัจจธรรมเหล่านี้จะนําออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนําออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมหน้นานมาสั่งสอนโลกเสส ร, รื่องวัจจะบารมีใครเป็นคนประกาศสอนโลกท้งพระพุทธเจ้าคนไมนมีความสัดความจริงทำอะไรละหลอแหลกหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเองคลอนแขน ไม่มีหลักต้องมีหลักใจทําอะไรลงโดยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเ mm. มื่อถูกต้องโดยเหตุผลแล้วตัดสินใจทําลงไปอย่างนั้นถึงถูกฝึกขาดนิสัยเจ้าของอย่าให้เป็นคนหล่อเลยการทำรักยิเลศไม่ใช่เป็นของ ง, ง่ายๆเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภาในกิจมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเอง ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับจิเลสมาตลอดการก็ตา่างแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วประเจมอยู่ภ า, า, น, านกิจจริงใจงายเหนียวแน่นมากทารชำระสาสามจะทำด้วยความอ่อนแอทอแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากเป็นการเพิ่มจิเลสไปขนาดนั้นมันต้องเอาจิงเอาจังทำด้วยดี บ, บังคับจิตยิเลส พาฉุดพลาลากออกมาในแี่ต่างๆ่เป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาดคิดแต่เท่าไรทุกเท่าไร่ ก, ไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นว่าอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลาบมันถูกไปทะเลอกปอกเปิกไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างไรถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืน หัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสเป็นตัวฆ่าสิทกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึง ต, ต้องถุดต้องากต้องถูต้องไถประตามเรื่องของกิเลสเสมอท้ายที่นี้พิจารณาในตามปฏิบัติถ้าไม่ใช่ความทาไม่ละช้าความเข้มแข็ง อดทนจิจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและดึกทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับวิเดตจำนาที่เด็ถอดถอนยี่เหลืเลยนะความเฉลี่ยขนาดก็ไม่มีอะไรเกินที่เหลยในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกประทานที่เหลืเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมัตจักร ด้วยเหตุ น, นี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พรร้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทมผู้บวชป ฏ, ฏิบัติด้วยอัดด้วยทำเพราะทาเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอาเวลาไม่เคยได้ยอยกวิกิเลสเลยถ้านํามาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยขึ้นอย่างจัตตาราวุธจะมีพลิกมีภัยทําอันตรายให้แก่ข่าศิกได้มากมากเพียงใดก็ตามแต่เมื่อไม่นํามาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสําเร็จประโยชน์อะไร นี่ธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านมันสอนคำพีบลาลัตปัญญาก็สอนเราความเพียนเนี่ยเพียนพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติเราลึกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาไม่ใช่ความอุตส่าห์พยายามความอุตสาห์าายายาเป็นผลท่านจึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทําให้เกิดผลดี ในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลําดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อารมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ทะเลทลายไปเอาสิ่งที่ เป็นเด่นเป็นมุดเป็นคู่มาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่ทีมันจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นฆ่าสิษต่อาศาสนาะต่อาศานะอสาศาดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปเสียหมดเพราะอํานาจของเจดียมันมีกําลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเพศอย่างบรรพชิตนักบวช มาพืชปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปรารถนาช า, าวีทั้งหลายตุีย์ทั้งหลายท่านได้พาดําเนินและเห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้วด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้เมรดกใดสิ่งใดที่จะเลิกยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นเมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามเยยอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกกี่ดำเนินมาแล้ว การประพฤติธปฏิบัติทางขารสอนวิธีที่เป็นชิ้ดิมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติธปฏิบัติด้วยความเทิดถูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาถุดมาลากจับฟัดจะบเหวี่ยงเข้าป่าเข้าโพงภาสีเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสด้วนๆมากรองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสะลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดอยู่ในหัวใจเราแต่ตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นไม่รู้ นนนครูบาอาจารย์มันดูผููท่านถานท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้เราวกระมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้ยึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลส ต, ต่อสู้กิเลสให้ทําทั้งหมดเป็นทําแก้กิเลสทางนั้นเป็นธรรมที่เป็นสี่มงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนําเข้ามาระดับสติปัญญาของเราเอง คนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้เนี่ที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกย่อมย้ามาจากไหนถ้าไม่ใช่มาจากการทำดีการทําชื่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เห็นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นน้า น, ล, านล้านกว่าตามจะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านตานั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลย เราเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทําแล้วถ้าชอบทําแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ดังนั้นเพราะเป็นความชอบทําจะนําความสุขมาให้โดยถูกตามหลักธรรมที่ท่านสอนมว <c oughs> นี่เราแก้กิเลสแก้โดยทำแจะให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลําดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นตขัต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนาปัญญามาใชา้มันต้องรู้ต้องฉลาด พระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้แทำไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราทำพระพุทธเจ้าคำว่าทำโง่ไม่มีมีแต่ทำฉลาดเรานำเข้ามาคุ้ปฏิบัตินันทำให้จกลายเป็นความโง่เพราะยืน่นด้ามด้ามดาบให้กิเลสสิ่งนันก็ฟันเราสิดาบคมแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นด้ามดาบให้กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายเลย เดินจงกรมเพียงสองสามหยักสามหยักสามเก้าสี่เก้าสติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วนั่งเหลือแต่เหลือแต่ความเสื่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติตางเหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนนั่งทา ง, ทาง ม, า ม, มันเป็นความเพียรอย่างไรทําอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้รู้ได้ชัดชดว่ากิเลสเก่งขนาดไหนทั้งทั้งติดตั้งสติสตังประความความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเราจะไม่ เห็นว่ากิเลสล้มแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมระหว่าสติปัญญาของเราแหลมคมทําไมไม่ทันคนมนยาย้างกิเลสมาถุดลากเราในขณะนั้นนั่ น, น, นเราจะเห็นได้เวลากิจมันมีความละเอียดละ อ, อสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นไปเพราะจับเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับทำว่ากิเลสสัมผัสมากิเลสกระเพื่มอมอกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากิน พรากระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกรเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามค่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็ น, หนผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไมอ่อยู่ยูไม่เลยตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตัง้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูถายความเสื่อม การของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นเองกาลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็จเจริญขึ้นมาเรื่อยๆนี่กิเลสออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันมันทํากันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาาสัตโตโลไปเรื่ยจนถึงขัน้นกิเลสมันหมอบนี่เวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดามาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้าม เหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันออาฟัอนออกเดินยจงกรมอยู่มันก่อนถูกคนเตะสติจะตั้ตงแตกกระจายไปไหนไม่รู้นีแต่คนสิ้นท่าบ้าตามถนนเดินกลับไปกลับมาไม่ได้เรื่องเวลาจากนั้นก็มาทวงเอาเวล่ำเอามรรคผลนิพพานจาก เ, าเวล่ำเวลาการเดินการก้าวไป ก, าาก้าวมาของตนในลักษณะบ้านั่นอีกยิ่งเป็นบ้าสองชั้นสามชั้ น, นเราพิจารณาที่ว่าเราโง่ไหม เราเรื่อยว่าเราฉลาดอยนูะ่เมื่อไม่ทันกับกิเลสทั้งๆ ท, ที่เราขึ้นเวทีจะต่อกรกับกิเลสเอาให้ันแหละแล้วกลับยังไม่ได้ยกครูกิเลสถูกกิเลสเตะตกเวทีไปแล้วทันกันไหมนี่มันะจะว่าใครโง่เรากับกิเลสเรานผู้ทรงธรรมทำนิดก็ได้ไปปราบกิเลสได้ใช้ชนะมามากแต่ม า, มาแล้วทําไมเรานผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลย หาเป็นนั่นนก็ขึ้นเป็นเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาเตียวจนแหลกนี่ก็ติสตังนี่และระหว่างที่เหล็กกับทำผู้นํานำํำทำมาฝึกหัดตนคล้ายในเบื้องตน้นเป็นอย่างนี้เคยเป็นมาด้วยกันตั้งสติดได้หนึ่งนาทีพยายามเอาได้หนึ่งนาทีพอนาทีที่สองมันเอาไปแล้วบางทีจะไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้ว เร็วไหม ย, ยี่เหลลด่วนเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องอย่างไงมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบน<ม>หัวใจของเราเนี่ยเพา ะ, ะนั้จึต้องคิดทําขึ้นมาเอาจริงเอาจริงถึงเวล า, ะวาะจะสู้กันโซ่ย่าเสียดายความคิดในเงี่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตอนให้รับความทุกข์ควมบากเพราะความคิดเท่านั้น เวลานี้นเราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำํำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทําลายจิตใจเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทําลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกาจัดกิเลสออกธรรมะทำไมจึงต้องเสียดายความที่ความปรุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันั้มกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องเน่ต้องยอกต้องย้อนือวายปติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดหลังนี้เป็นอุบาสกสติปัญญาที่จะให้ทันกับกิเลส ตัณหานำไปคิดคิดมาเท่าไรแล้วในเรื่องโลกเรืงสงามันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นนี่มันก็ยิ่งเพิ่มตูขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับยิ่งเรศไม่เคยมีในโลกกระนี้นักจิตัณหาสมานาถิกาเ็จ ความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นะความอยากในธรรมมีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปใช่ไหมให้กิเลสตกตายแล้วก็มากต่อมาถ้าจะประกอบบุญงามความดีความอยากทําทานก็ดีความอยากรักาสิ่ก็ดีความ อยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมด <trader S 1> หเคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทาําไงทําอะไรก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นที่เด็ดเป็นหมดแล้วจะให้เดินยังไงตัคนตายทอนนั้นเหละเหมือนท่อนไม้ท่านปืนไม่มีความอยากอยากตายไหมล่ะบางทีโมโห GPS ก็ตั้งตอบไว้อย่างนั้นเลย ความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขออยากจนกระทั่งกับตั้งกับตัางกันตัองแต่วันเกิดถึงมันตายตลอดพบตลอดจาติั้งกับตั้งกันไม่มีคําว่าอิ่มพอเพื่อนึกว่าเล้ความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทําให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทําบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเ พ, เ พ, เ พ, เพื่อุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดําเนินไป ตามความอยากนี้เป็นมัจคือทางนันเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิดเลสตัณหาได้ยังไงถ้าเป็นกิดเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ไปได้การต่อสู้กิดเลสอย่างสุดเออยี่ยงนี้ด้วนแน่ตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมเท่านั้นกิดเลสาหนักขนาดไหนกําลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิดเดจะสู้กิดเลสได้ กำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามัดเครื่องมือดิเครื่องดําเนินทางดําเนินต้องเอาให้หนักไม่หนั ก, ไ ม, นกไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ําหนักกว่ากิเลสนี่เรียกเป็นมัดยิ่งจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆติดความอยากมีกําลังขึ้นเรื่อยความขายันหนักเพียร ว่าหนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที <|hi|> ่ว่าความคีดเกียร์ีิค้านหายหมดกับความคีดเกียร์คิดค้านเป็นเรื่องของกิเลสมีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นแต่เมืความคีดเกียร์คิดค้านหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภากเสียดเมื่อถึงขั้นเห็นมันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคําว่าคีดเกียร์คิดค้านต้องล้างเอาไว้มันจะเลยเถอะความเลยเถิดก็ไม่ใช่มาก บางครั้งว่าให้พอดีกับการกับความเป็นธรรมในธรรมท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นจะให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงตัณหาเนเวลาอถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทางานตัณหา เมื่อใช้ปัญญาออกทํางานมีความเมื่อแล้วภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปทันเวลาอย่างนั้นแต่เราก็เคยเรียนเรียนย น, นี่เลยเพราะมีอยู่แล้วในธรรมบาเวลามันเข้าตะลุมบานจริงๆมันลืมหมด <c oughs> อาจทำที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมนั่นนี่มันลืม ถวัดติดสมาธิกับติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยก็เห็นความรู้ที่แนวแน่อยู่อันเดียวนั้นมาเป็นจะเป็นมรรคผลนิพพานเท่าเดียวก็ติดอยู่แค่จมนั่นมันไม่พอดีพอออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วมีแต่เห็นผลทางด้านปัญญาเนี่ยท่าเดียวกลับมีหนังสัน้นังกลับมาเห็นโทษของสวัสิ์ที่หรือว่านอนตายเฉยไม่เห็นได้เรื่องในเราเลยที่นี่ก็พลาดกันไปกับพี่เด็กจะไม่ถึงไหนมันจะตายนี่เพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานนี่ ความคิดความตรุงจิตไม่กระเพื่อมเป็นปัญญาได้อย่งไรปัญญาขั้นแก่กิเลสยังก็ต้องไปทํางานด้วยความคิดความตรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุด ไ, ไม่ถอนมันก็ตเหนื่อยมีแตจะเอาท่าเดียวไม่จะเอาท่าเดียวกําลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีหนูรู้สึกว่ามันเหนื่อยเพลียาพายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแค่อยู่อย่งอยู่ตรงนี้ ถึงจะอยากทาเท่าไหร่ก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดําเนินงานทํางานอะไรจะเพลินมาเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นนี่สมาชิกก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของติด คือสติปัญญามันยังหมุนติวติวเ ด, ด, ด, ดี๋ไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจทำความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากดลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสเนี่ยจะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงสังน้ามไปเข้าใจผิดจะทำอะไรก็กลัวจะจะเป็นตันหาหอยากนั้นอย่างนี้จะเป็นตันหาอยากเป็นฝ่ายทําเป็นตันหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนคน กิเลสมันยังมีทางเดินทั้งมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสเก้อะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากสิอยากก็อยากฆ่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันก็อยากฆ่าเราฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสสิความอยากต่อความอยากฟาดกันสุดท้ายก็สู้ความอยากของธรรมะมาได้เอาให้กิเลสหงายตนงหงายตึงพระเจ้าสาวพาะสงฆ์ร่วมแน่จะพูดดิต่อสู้กิเลสด้วยความอยากฆ่าเนี่ยยากเป็นอักเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นกันหาน ยัเป็นยิ่งเดชได้ยังไงความอยากเป็นยิเดชมันถึงเป็นความอยากมันเป็นยิ่งเดชจะอยากสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนหนทางยิ่งเดชมันเดินสวนทา ง, งกับธรรมะอสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไหร่ก็ยิ่งจิตใจยิ่งมีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับๆอ่อนโดนเมตตาสงสารไปเดยลำดับส่วนยิเดชมันมีแต่ความโหดร้ายทารุณนี่จจก็จะฆ่าจะฟันแต่เอาให้ทิพหายไวเปรืงท่าเดียวเนี่เนี่ยมันเดินสวนทางนี่ยกอันนี้เป็น เป็นตัวอย่างคะนั้นนอกานั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปเล่าไปตามล่องรอยของทางต้องสวนทางกับธรรมเสมอเราะะันจึงเรียกว่าเป็นข้าสึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านของตัวเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์เลยถ้าเชื่อทำถ้าเชื่อท ำ, อทำต้องบึกบึนต้องวุตสาหพยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อทำพูดทำทำมังซังนักั้งทางสนังกรามี เราถือพรเจ้าเป็นผู้พระพุธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นชนะหมายความว่ายอย่างไรชนะเป็นที่สังเป็นสังตายฝากเป็นสักตายได้มีฝากเป็นสักตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชี่ยวความเคารพนับถือในธรรมของท่านเราคุยปฏิบัติเอาทําเทิดทุนบุญหัวใจทำว่าอย่างไงเดินอย่างนั้นแบบทําว่าอืไ <c oughs> ทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายทําสอนอย่างนี้นั่ง น, นี่แบบทำมังสนาคฉามีอืม พุทธังสังกาฉามีพรองค์เป็นยังไงตามประกอบความเลียรลบลูกคุ่ครานคอยตะขี่เกียจจี้ค้านแบบต้นแต่ความขี้เกียจจี้ค้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจจี้ค้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตามแต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลาดับลาดับจนกระทั่งมีกําลังมากปราบกิเลสเรียบมุดไปภายในประเทศไทยนี่กับพุทธังสังฆาฉามีเอามาเป็นตัวอย่างดิท่านทําังไง ทำมังสนังกรามนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดเสก่อนถือทําเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ทำนะแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการพปฏิบัติส่วนผลแท้ทำแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครสังฆังสานังกระฉามีท่านนันหนึ่งยังไง จะพูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจใม่เราได้ยินท่นนานสาเร็จมากผลนิพพานนั่นนั่นแหะท่านนางข้าฉามนี่จบแล้วคำว่ากิเลสท่านนางข้าฉามนีมันมีไหมนะความขี้เกียจที่ครั้งท่านนางข้าามีความอ่อนเอีบวกเปียบท่านนางข้าฉามีนี่เคยมีไหมย่าไ้สอนไม่ไหมความเศร้าซาซาท่านนางก้าฉามีความลเอละกะท่านนางกราฉามีนี่เคยมีไหม้หมมวมสะสะสะสะกพรอเ ล, ะะะเ ย, ลยทำไมถึงชอบวัน น, ปนัปางหา แบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันสร้างนางข้ามียังไงขำเดยวไปที่ไหนนังจะแบกกันสร้างนางข้ามีเรานี่เหมือนเต็มไปหมดความที่เกียที่ท่าเอาแบกความมาัง่ายติดต้องแท้ๆไม่ยอมปล่อยเลยเราพูดทางรืองขามีป่ะป่าวว่าพูดทางเรื่องข้มบัตรเตะบราณมองดูหัวใจ มันมีอะไรกิเลสทั่วเพศสร้งกระฉามอีกมันติดพันอี่นี้ันไม่เคยยอมออกว่าแล้วมันแหลกแต่กระจายเดยไป็นยังไงธรรมของพระเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้สองพันห้าร้อยปีไปยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสตัมพันธ์ทำประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันปัจจียาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวโบธรรมแท้นั้น่ะเป็นยังไงถามเจ้าของมึงดิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจเรามันเป็นยังไง ความโลภมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่นี่ทำที่สำหรับประเสริฐประเสริฐนั้นนะ่ะเป็นยังไงที่เรศประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมชชอบนักชอหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเลยขอทำมันเลิกอันประเสริฐนั้นที่ พ, พระเจ้าครองสาวกสงายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างแล้ว แล้วนักถามมีเลานี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนสนิห์ที่ไท่านปฏิบัติยังไงย้อนเข้ามาถามตัวเองบ้างสิซักตัวเองมันแหลกแตกกระจายไปไห น, นซักตัวเองก็คืกักกิเลส น, นั่นแหละนี่แหละสติปัญญาเอามาซักอย่างนี้นีอุบายวิธีปฏิบัติให้มันเห็นด้วยว่าสมาธิได้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทัง่งถึงมันตาก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่อนอย่างเรามีเงินล้านนี่มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้าน ตเงินบา ท, ทเดียวก็ไม่ติดกระเป๋าไม่ติดมือมันเป็นเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาสนนี่ใถ้ามันเห็นสมาธิตามหลักที่ท่านสอนองค์สมาธิแท้คื อ, อยังไงนั่นคือชื่อของสมาธิว่าความแน่นหนา ม, มันคงงงใจมี่ตัความแน่นหนาหเฉยเลยลักษณะอาการความสง่างภาพเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงนั่นเป็นอย่างไรให้มันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจที่ใจเท่านั้นจะไปผู้สัมผัสธรรมเหล่านี้นะ ไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสไม่ได้จมูกดิ้นกายสัมผัสไม่ได้สัมผัสทำแบบนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่สามารสัมผัสได้นั่นเอาพิจารณาไปสิหัวจิตมีความสงบเยอกเย็นแล้วนั่นศาสนาจะเป็นของพระสยามที่ถงนั้นเพียงแต่จดจํามาเฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เลสต้องบวชกับเรานะอืมันย่ายีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นแหะมีแต่ชื่อของพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเดียบหัวใจพระเราไม่ ไม่คิดตั้งแตหล right? ่าอนี่ฟานมันลงทำมันแตกกระจายยึดมันทํำไมมันจะสงบไม่ได้ทําเครื่องมันขับจิตให้สงบมีอยู่รักใครทําเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทําให้จิตไม่รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพระเาสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นสอนเจสานุมาลขันตตาตจุโนี่รังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธ ก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดอือหนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไหร่มันสวยมันงามงามที่ตรงไหนอืขี้เลรมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงได้ออาาหลงเอาพิจารณาตำหนักรูเจ้าที่ตำหนักธรรมทอ่เคซ่าลงมานะขาตันตาตะโจ่นั่นแหะคือความจริงอา้ามันจะอาดที่ไหนดูที่หนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เหสะอาดเลยขี่เหงยที่ใครายเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไง นี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆอไรว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสดสันบัญญอมามันยังตื่นลมตื่นแรงกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงเนี่ยดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกพิเดสัมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาซอสส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วคนก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วง เพราอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาพี่กินมาเห็นกายมีแต่ตามความกินมากน้อยถึงได้จิตใจยิ่งมีความยิ้มย้มเฉามใสจสหลดสังเวชในความหลงก่องตนไปโดยลำดบดับเพราะกิเลสรวงกิเลสหลอกกิเลสต้มตนมันก็เห็นที่นี้อ๋อมันต้มตุลเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่เพียงดูเท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อา้าวกิเลสขั้นแรกก็ไปสติปัญญาจะตามบัรทายโดยลาดับ ไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยข้าลงไปจนแลกแตกกรจายหมดทั้งล่างของเราอ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเศษสันตั์ยอกันมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมแล้ผู้ปฏิบัติธรรมํารมจะยอไม่กิเลสอย่าย่าทำลาหัวใจเหมือนฟุตบอลยิ่งไปขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนเดินตั้งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอะไรทําไม่ได้เลยมันต้องควรดูกับเพศของพระหน้าที่ของพระ ที่มาพปฏิบัติงานของพระเป็ น, นอนนย่างนั้นหรืองานของพระคืองานต่างสงี่เหรอนั่นหรืองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนยิ่เล่ยซึ่งเป็นของจำปลอมเอาฝ้าดวงตาขมันหรือสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นโดยความพิจพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลนใน ต, ต, ต้นในปลาพอเป็นต้นทุนลอาละที่หนีปัญญาเมื่อปัญญาออกแล้วเอาเถอะ กิเลสมันจะหนายิ้มกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามไปมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามดกระฐานนี้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยี่กว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้เป็นไม่จริงทุกข้อตาสภาวะธรรมทั่วโลกดินแานนี้มีแต่สมมุติทั้งนั้นน่ะดูตามมันจริงจิตมันจะประยุตอะไรเมื่อเราเปิดความจริงเห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนอะไร เ, เองที่ว่าอุปาทาน ความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเป็นาสัญญาสังขารนิยาทั้งตนนี้แหละสุดท้ายก็ความถือมั่นของกิตเป็นหนักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตามความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาอถอนเข้ามาจนตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายมันก็ดีถ้าคันอันนี้ก็ดูแล้วนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงทํามริยัติหลอกคนเมื่อไหร่มีตตาคิเลสทั้งนั้นมันหลอกทําไม่ได้หลอกนี่นะ เราชอบของหลอมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอักจันไรที่ได้รับการหลั่งโลงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมีแต่ความทุกข์น่ะเห็นไหมหน้าพระามันเห็นชัดเจนต่อของมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพิจารณาเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศมีไหมมันมีเห็นมีก็ลายเดียวนี่ความหลุดพจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านลำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบต้มเย็น ต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตง้เขาว่าปัญญาเป็นจิตเลือดยังไงจิตมีความเฉลี่ยนาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปวดเครื่องตัวได้โดยดําดัดตำดานั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากนี่ยทำที่ประเสริฐต่างหากฟาดมันทะลุไปหมดหนึ่งขันต่าง้ากมันมีอะไรบ้างรูปกระหมายมตั้งกายนี่น่กองรูปก อ, กองรูปกองกายนี่กองหนังห่อกระดูกนี่วิท น, นาความสูกความผิด ปัญญาีนสอดเข้าไปตรงไหนมันมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังต้องพังต้องพังเพราะเพราะเหตุอะเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะเนี่ยของปลอมมันจะสู้ของจริงได้เหรอฮึ่คิดดูอย่างธนบัตรมี 100, 000, ร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงอยู่กับของปลอมทั้งวันทั้งคืนสมมติตัว ดีตัวดีตัววิเศษดโสลืมโรคลืมสารเพราะลืมความดูมเนื้อดูดตัวลืมตนว่าถูกกิเลสต้มตนไม่ได้รู้สุดตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสำคัญมากนัตติปัญญาสมาภาแสงสว่างไหนความเฉียบแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้นีเหรออ้ามันแหลเข้าไปสิเมื่อมันเปิดออกเปิดออกเปิดด อ, อกมันยิ่งกิจนี้มันยิ่งกระยิ่มหมุนติวติวกำลังช้างสารห้าเชือก มันก็สู้กําลังของสติปัญญานี้ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งพุ่งจนแทงทะลุไปหมดกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตรงไหนตามขุดตามคน้นเอ้าที่นี่กิเลสมื่อมันมีกําลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาไม่ได้แล้วก็ต้องหมอบหาหลบหาซ่อนสติปัญญาคุยเขี่ยขุดค้นออกมาข้าวฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้จะจิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชากิเลสพิเศษี่โสอะไรทาดวงที่ เป็นกันอันหนึ่งอันเดียวกับกิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงอ้าวน้ําตามันจะไปไนมันจะไม่ร่วงหรอเกิดความสูดสังเวชตัวเองโอ้โหถูกกิเลสมันครอบออกมาสหละออกมาจะขนาดนี้นึ่งหนึ่งก็เกิดความสูดสังเวชในความหลงตนน้ําตาก็พังอืความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี้น้ําตามันเขาร่วงฮ มควาเห็นความอัศจรรย์ร่วงมาได้เนิกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้เออจิตแท่เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้าไม่ใช่ทำเท่านั้นอย่างอื่นอยาอามาใช้โดยจะมาแยกมาแยกขาดแยกขันแยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจอืหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์ปุณพิสูจน์จิตเดสนาถ้าไม่ใช่ทำเป็นผู้พิสูจน์เป็นเป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าไม่เกิดประโยชน์ถ้าทำาป็นพิสูจน์พูทเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรม รู้ได้โดยทำเห็นดเดื้อธรรมความรู้กับเห <c oughs> ็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นอย่างนั้นข้ามาบาสมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนขี้เลศมันปล อ, อมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังยั ง, ยงไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เรือเวลานี้เราจะเชื่อขี้เลศหรือเชื่อศาสดาไทยวิเศษที่สโสเอาตรงนี้สีอ๋อมันจริงมันจังหน้าปฏิบัติเออพูดออกมากุเหนื่อยละ阿拉ละนะพระพุทธาติบัติ